มือนีวันที่ที่เอาราคดาพุ้มสองพัหร้อยสี่ิบเก้ามือนีเลจะเป็นมือเสาพันศาหนับหนึงน Bien, 6, ่งมือหนีเป็นเสาพันศาวันแรกคุบาอาจารย์เวลาพันสิ์อธิษฐานพันษากับมือแรกนีอไหลมือแรกมือมีดีที่อธิษฐานพันษาของเปิรนกายคุบาอาจารย์เป็นญาติโยมอยูกับต่างหากไซสสี่พืชอธิษฐานกันได้แต่อธิษฐานได้ อธิษฐานโอ้ให้บรร้ายในมัสการาเขาสิทํามข้อมดีแข็งสั่นแั็งสั่นแั็งสั่นนังคนแต่ว่าเขาสี่ลุกศรมาทําคว้มเพียนสี่สามบนสิวกระทั่งแง่งแงงแง่แงแง่ลูกศรมาทําคว้มเพี้ยนซึ่ง ม, มือพอดแง่ไวร้องเสียอธิษฐานไว้อธิษฐานกันเขาก็เลือกอธิษฐานเอาแนวดีเด้อ โมเมนว่าอภิษฐานก็ไปมือกอ็ไปนีกูผิดดาพนมื อ, อมือโ ม, ออ ม, ม, อ ม, มออเมนต์อภิษฐนก็บ่ได้บาปอธิษฐานเอาแน่ิดีอภิษฐานตัวออกล่างออกเท็จออกพัดออกหูออกทิ้งที่บ่ดีนี่นั่นละพี่เพื่สิดีๆก็ไปไฝ่หนาเป็นต้องแ้ทงทีละที่ี่โอกาสที่ิ่มันมม ส, นสนนูงมาเอาวัตสานี่ปีนี้มีเชื่อเดียว ทีนึงไม่ขอดิสเพือเดียวในการอธิษฐานที่ทำทิ้งดีๆแล้วเรินมท่วมบอดีต่างๆเนี่ยเข้าอธิษฐานแคเดียวเท็จสุดล่องเงท็ดเบืองไม่ค้นสานี่อั น, ทนเทาเฮ็จดีแล้วเนี่ยออกค้นษาเอ็นยีราเทมดาเข้ากับรักษาวไวเท็ดไวช่วยจังเข้าขม่ายูวัดไมาจำมันสาเนี่ยช่วยจังเข้าไปโรงเรียนนี่ละไปเที่ยวอวีงา เงี้วีซ่าผู้เรื่องวีซ่าเงี้ยเป็นแล้วดีแล้วเนี่ยออกไปก็เอาไปใส่งานนะเนี่ยวีซ่านั่นเอาไปใส่งานมันจะคิดเป็นประโยชน์อันนี้เืียในร่องเรียนเลี้ยนซื้อๆลราก็บอกออกไปใส่ไม่เราก็บอเป็นประโยชน์ไม่ได้หูจักซื้อๆบดิเอาไปใส่คือมีแบบจกนีละก็บอกเอาไปคุดหัวคุดสวนมันก็บอปลูกยังได้ละมันนี่แบบจกอยู่ซื้อๆอันนี้ทารเข้า มาฟลุ๊กได้แล้วฟลุ๊คว่ำดีได้แล้วเพียงแต่ใดติดตั้งคว่ำดีคุณจัดออกไปแล้วไปถําไปใส่อี๋ใหแต่างพ้นมาอดเหล่ามาเศ้ากินเหล่ามาเศร้าว่าวคว่ำพอดีคว่ำจอควอ่ำจอกันเนี่ยคืออะไรตั้งผู้นี่จริ ง, งเข่าเศร้า่ะเ น, นี่ยเข้ามาเลิกมาเศร้าเนี่ยพ่อเศร้าใดตลอดตั้งสานอกจกถึงัดอบอกว่าโ้มันสบายตัว ล ม, ม, ม, มเย็นแต่คือว่าเขาใชกแต่ีคข่มในใจแตเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเอามันดีชัวร์เนี่ยแันออกไปกันอยายาว่าขึาขาน้นบาเถอะอย่างเงี้ยขึ้นแล้วบดีฉะนั้นล่ะมันจะจะได้ประโยชน์แต่เทามากปึกบยังไม่มีดีแล้วออกไปเป็นขึ้นที่อเก่าออกไปเป็นขึ้นที่อเก่าพวกกินเราแบบว่าเดีมาอดมาเดีมาเศร้าเราอยู่จังหวะสามเดือน คิวหลออกไปไปพืนนักโกเกลวาหนึนั่นแปลว่าคิ้เกคิ้หลโกเกลกะกลายเป็นเลี้ยวไหลแล้วเป็นแนวบดีกะเนว่าบดีเือบดีซึ่เกตาหนึ่งมีบอดนแต่กับไปแล้วได้จะเห็นวาหาเอาแนวดีมันมี่เร่งแนวดีเท่าแนวบอดีเันเท่าหาเป็นเาก็ได้ดีแล้วเทากับหาเอาแนวดีดไ้เพ่นช้ามีแหละเป็นโอกาสดีเด้อพันธา เอามาแล้วเขามีมูมีปวกสาวผู้บาอาจารย์มีละเป็นมูขนณะของเห้าในแตนฉำพันจานนี่หลักษารีิ น, นจังผู้บาอาจารย์ทุ่มกัเทงคัดในศินเป็นพิเศษให้ในวางขั้นศาลปรมีการสูดการเฮียนเฮี่ย น, ยนทําเฮี่ยนมีไงเพาอื่นว่าเฮี้ยนปริยัติท่าเหมือนกันมีเฮี้ยนนักท่ำตีนักทําโพนักท 4, ่เอก ขันยอดขยอมผูไดสิณีข่มสนใจสีเงียนธรรมะนําเพลนกรมาสมาร์ตเป็สิมีสอนวิชาธรรมศึกษาปสิผู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปสิทิู้จักวาสีนิพนธ์ไว้จังไรไว้คนี้ไจังไรอันแนวบ่ดีจังไรอันแนี้ย่างไรเนี่ยน้องก็สิู่จักกัเนียที่มีเนมุนีเป็นผู้จักแล้วมันมีประโยชน์กับเท่าหรืล่ะหลาย ทันบว์ฮูจัดไปเลยนี่ก็โอ้ยมันก็เกิดมากแบบดีตัวไกลแยกน้อยเท่านั้นะทันบวฮูจัดอันนี้มันจะได้ภาวนาเนราะว่าพ่อมสอนท่ำกระไดวิเนียกระไดมันพ้มลงไปใช้ภาวนาเมดอาเามาที่ันบวูจัดเราต้าจิตใจยึดเขากับภาวนาบาตเลยคบพมีโอกาสลุกขึ้น้วบาตรมันจะสั่นได้มันได้ทำให้ไปเรื่อยๆได้ไปทันตู้ตั้งใจว่า ในคณะนี่คนมิสอนโยมสอนนักข่ำนักข่ำศีนักข่โตนักข่กเอ ก, อาก ญ, ญาตมี้ญาติญาติโยมมันนั้นกติสอนธรรมชุกษา น, านะฮะล่ะพิการเนี่ยเล้วน้นงคนจะอธิษฐานว่าจิตจืดจะเศ้าซมือหะหกหงสาวหงฝาใส่บาทซึมม่อบ้ขาดบานจืองคนจะ นี่แค่ขีพันธ์ไรกับต้อไปมีทีวายพักตู้มือตู้มือเหมกันเรนกวายพักตู้มือล้วก็ต้อไปมีวายพักเราตนั่งเขาว่าหน้าติดขานะที่ยิงทีนะที่ตู้มือไวเกินที่นะนัลาแบมันดีดีมันดียังที่หละอยจักเทเอาแันมาบอกยังทีบอกห้ฟังแล้วแันมันดีดีดีมันจะค้องไปบอกจะค้องอีกเสื้อหนึ่งเด้อบอกว่าเพชรดีดีนะตัวกระดายไปอีกทีเด้อ ผู้อื่นบอกมันฟังคือคือหลอมโบกไอเทสตเจ้าของพิดได้เองบอกเจ้าของเองเนี่ยมันเตือมันตั้งตัวพิสกันเขบพวิสนผู้อื่นมาบอกเราพิสกันฮะแล้วเตือ้นหวยกันเจ้าของพิดได้เองบอกเองน่มันมันมันบกพิดกันแล้วมันมันมาที่ได้ฝนเองสัน่ะเองสันละอันนี้ที่แ่เท่า ถ้ามนควดีต่างๆเ่านั่นเระมันดีคิดถึงมากในคิดใ่ใจเท่าแล้วมันเป็นที่มีมงคอดเนี่ยถ้ามันทีมีมงคอดอยู่ไม่จะทําให้คิดใจเทามันสูงคิดใจเทามันเบิกบานมันคล่องใสอย่านีอันเท่าที่สูงตัวคนเท่าไหรสูงจะที่ละ่ะเพราะว่าโลกุระเหนือโลกเหนือโลกนะมันเหนื อ, อยังที่ละ่ะโลกเขานี่ไม่พิบุญใช่ไห นี่คือแข่งกันคิดกันตั้งกันนิตยาสตร์แยงกันนั่นแหละนี่กันอันทั้งเฮ้าเบาเห็ดเนี่ย บ, วบวดาดีต่างๆเศร้าแล้วเศร้าเห็ดแล้วที่มันเหนือพวกเขาอย่างนี้แหละคันยั่งปะ่ะเทเห น, นือโลกยูนี้สมัยเข้ามาเฮ้ายั่งปรทเทศเบาที่ยั่งต่างๆของโลกไม่ก็ฟองก็ข้าโย่หอยโข่งโต้เล่นเี่นี่ลอยกล่นบไรลอยกนเหนือโลกบไรก็ยูซัมาปซําโลกนี่หละทุกแน่ แิดตัวอันอันคือจังร่างกายเสือผาสมม่มแเม้มๆมกันล่ะเนกระดำกระด้างเส่นขาดเสนอดแมง่กันล่ะนีหลักประสาโลกเขา้าเล่นเือกับไฮย่อยหรือฮะเล่นเชือกกับหัวแ้แ้เ่นเชือกกับเจ็กไฮได้่วยห้องโอ้ยโ้ยนี่หลักโลกันเนื้อโลกแล้วน่ะมันบมห้องโมห่อน้นก็นแม่มูนี่นี่ล่ะ สรรพพื่อดีเนีย่ยต้องพืดเอาให้มันเหนือโลกมีที่สีเ่เหนือโลกก็ น, นี่ล่ะทำข้อ ม, มีไปได้ทำข้อ ม, มีให้ท่า น, สาสนรักษาชินเดเล่นต่น้านะเห็ดดูดูก็บอกเป็นยังดอกหรมันบอกเกินไปดอกเห็ดดูดูทำดูดูมันเป็นชีวิมุงค้นจับจ้ดของดังนั้นละเรื่องจะมือ น, นี้าสรรพูดได้สิอธิษฐานจะตั้งใจอธิษฐานการอธิษฐ า, า น, นามีนเป็นการทำให้คิตใจขเข้าเกินแข็งอย่างหนึ่งเด้อ เขาตั้งใจคีแต่งเขาแน่ว้าอยู่แล้วพอไปนี้คือฮปป้ดีแล้วกันเขาตั้งใจว่าเห็นว่ามันดีคืดไมได้แตคืดเห็นว่ามันดีอ่งนี้แหนะเขาก็ตั้งใจเรื่อยๆคีดแ่เขาก็แข็งแข็งจพ่วมดีอนี้แต่มันจิเข็งแข็งมันแ ข, ข็งยางทีละอื่นนั่นซอยห้าก็ได้่เอะน้อยตก็น้อยเขาก็นี้อกคอตันี้แม่ตัวนี้อด้วย ย, ยี่งแหมนี้เม็ดหรอแตนี้ใส่เข้านี่แหละเขาก็มีเคิงใส่เครงใจนี่้พักใจสิดมากเคเืิงใสมันได้ในภาษาเนีเออกเก่เงๆนะพูดได้กระตายนะเยอะหาวาริวหาคูรากาิตูเรนปิตารังเอวเม ว, เวอิโตสินัง เพื่อสานุปก i ัตริย์สิทธังศรีสังขุมังคิทามวะนิดกัตุสัจเพปุเรนตุสังกปะยั a โดภนราโสยัามนิโชติรโสยา